ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่37คุยกันต่อเรื่องปัญญาอีกหน่อยปัญญาที่พูดเมื่อเช้านี้เอาเรื่องญานยากนิดหน่อยเป็นข้อปฏิบัติโดยตรงเลยสีมุ่งสู่จุดหมาย คือพนิพพานว่าเห็นลำดับขั้นตอนทีนี้ยังมีปัญญาชื่ออื่นอีกเยอะแยะบางอย่างก็เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการทำงานทำการหรือในการศึกษาเล่าเรียนนี่มียหมวดหนึ่งนี่เป็นธรรมะที่มีประโยชน์มาก ท่านมักจะกล่าวไว้กัพระอาหารหันต์ว่ามีคุณสมบัติสี่ประการแต่หมายถึงพระอาหารหันต์ที่เก่งจริงๆนะที่พร้อมที่จะทำงานเผยแผ่พระศาสนาได้ดีเนะท่านจะบอกว่าบรรลุอรัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี่ ปฏิสัมพิธาสี่นี่ถ้าพระอรหันต์ผู้ใดมีเนี่ยก็ทันก็มีความสามารถในการที่จะนำเอาธรรมะไปสั่งสอนผู้อื่นให้ได้ผลดีเป็นความสามารถเรื่องปัญญาในเชิงที่จะเอามาใช้ประโยชน์ทั่วๆไปด้วยแล้วก็ ถึงจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ควรจะพัฒนาคุณสมบัติทำนองนี้ขึ้นมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นยุคข่าวสารข้อมูลปัญญาที่เรียกว่าปฏิสัมพิทานี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องข่าวสารข้อมูลจะสามารถใช้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลได้ดีก็เลยมาเน้นในยุคนี้พูดถึงเรื่อง ปัญญาทีไลก็เลยยกเอาเรื่องปฏิสัมพิทาขึ้นมาพูดเรื่อยปฏิสัมพิทา น, นก็แปลว่าปัญญาแตกฉา น, นาตัวสับเอ็มก็แปลว่าแตกฉานปัญญาแตกฉานนีน่ก็มีสข้อดดียกั น, นเป็นบอกแล้วว่าเป็นการปฏิบัติต่ตอเรื่องข่าวสารข้อมูล เรื่องของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่ได้เล่าเรียนนะอย่างเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนก็น่าจะต้องพัฒนานี้ให้มากและคนทั่วไปในยุคนี้ก็รรับข่าวสารข้อมูลก็ควรจะได้พัฒนาปัญญาด้านนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าไม่มีหลักไม่มีปัญญาด้านนี้บางทีก็ไม่ได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูล ไม่รู้เท่าทันถูกหลอกง่ายแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ปัญญาแตกฉานสี่อย่างนี้ในเมื่อเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลหรือสิ่งที่จะดับตรับฟังเล่าเรียนศึกษาก็เลยแบ่งเป็นสองฝ่ายหรือสองด้านด้านหนึ่งเป็นด้านรับ ด้านรับเข้ามามีสองข้อแล้วก็อีกสองข้อก็เป็นด้านใช้ประโยชน์ด้านรับสองข้อด้านใช้สองข้อทีนี้ด้านรับเป็นยังไงนะก็เริ่มในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็ปัญญาแตกฉานในอัตถะคือในเนื้อหา อันนี้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยเป็นต้องเริ่มต้นก่อนเราจะเล่าเรียนเราจะสดับตับฟังอะไรเราจะอ่านอะไรนี่ต้องมีความแตกฉาดในเนื้อหาแตกฉาดในเนื้อหาอยัางไงล่ะก็เริ่มโดยต้องเข้าใจเนื้อหานั้นชัดเจนถูกต้องเข้าใจจริงเข้าใจถ่องแท้ไม่ใช่เป็นคนที่พล่ า, ลามั ว, มว รับฟังอะไรศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงนี่ถ้าเคยเป็นนิสัยแล้วก็จะสะสมปล่อยผ่านผ่านผ่านผ่า น, านต่อไปก็แต่ละอย่างที่เข้ามารับฟังไม่ชัดสักอย่างไม่เข้าใจจริงสักอย่างก็สะสมเอาความพลามัวไม่ชัดเจนอันนี้เอาไวนะ้ก็เป็นคนรู้อะไรไม่จริงนั่นตอนแรกนี่จะต้องฝึก เช่นอย่างเวลาเรียนหนังสืออ่านทุกตอนเลยนะถ้าเป็นเรื่องที่เราจะเอาจริงนะเป็นเรื่องที่เราเรียนอย่างนี้อ่านแล้วต้องถามตัวเองว่าเข้าใจจริงไหมนะถ้าไม่อะไรไม่เข้าใจไม่ยอมปล่อยผ่านนะทุกตอนทุกหน้าทุกเนื้อความอ่านแล้วต้องถามว่าเข้าใจชัดไหมนะไม่เข้าใจต้อง ให้เข้าใจให้ได้หาความรู้ชัดแจ้งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากมันจะเป็นนิสัยเลยเพราะเราเรียนอะไรเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้วยความชัดเจนไม่ทิ้งอะไรให้คลุมคลุมเครือเครือไว้อันนั้นคนก็จะทําให้มีการที่ว่าจะต้องไปหาทางทำให้ชัดถ้ามันยังไม่ชัดก็จะต้องไปค้นไปคว้าอะไรต่างๆเอาให้มันแจ่มแจ้งให้ได้ จนกระทั่งว่ามันสุดวิสัยจริงๆก็ฝากไว้ก่อนแต่ว่าโดยหลักการก็จะต้องหาความชัดเจนใน้ไดนนี่นอกจากว่าชัดเจนเฉพาะนั้นแล้วมันมีอะไรโยงไปหาอะไรที่มันจะต้องให้ข้อใจชัดเจนเขาพูดอ้างอิงอะไรเกี่ยวข้องคือมาเอาให้มันชัดให้หมดคือสิ่งที่ปรากฏเข้ามาในเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามาแล้วต้องว่ากันให้ชัดเอากันให้รู้จัดแจงกันไปเลยนี่ เนี่ยสำคัญมากนะฮะนั่นอ่านหนังสือไปเล่มหนึ่งนี่ต้องรู้จริงๆเข้าใจจริงๆในหนังสือทั้งเล่มนั้นอย่างนี้ไม่แตกฉานได้ไงเนาะนี่อันที่หนึ่งละนั้นการใช้คําถามเป็นการตรวจสอบตัวเองก็เป็นเรื่องสําคัญนี้ต่อมาเป็นนิสัยเวลาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เป็นคนที่สักแต่ว่าตื่นข่าวตื่นเต้นไปแล้วก็ เอามาพูดคุยกันสนุกสนุกแล้วก็จบใช่มมันต้องพยายามหาความรู้จะแจ้งให้จริงเนี่ยอย่างเรียนภาษาอังกฤษนี่เรียนไปคำนี้เจอแล้วมันยังไงความหมายมั น, นหาความชัดเจนในความหมายเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องก็พลอยชัดไปด้วยคำนี้อ่านว่ายังไงอ่านแล้วมีสเตส s ตรงไหนเนี่ย สะกดตัวยังไงนะลองหลับตาดูสิคำนี้สะกดได้ไหมนะไม่ได้ก็ไม่ผ่านเอากันให้มันจะแจ้งไปทุกอย่างทุกอย่างนะนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลข้อแรต้องหาความชัดเจนเจงกันทั้งว่าโอ้อยังงี้พอเขาพูดอะไรมาในเรื่องนั้นแล้วเรามองเห็นข้อความเนื้อหาชัดไปหมดเลยแจ่มแจ้ง สามารถขยายความอธิบายในใจตัวเองได้ก่อนนี่แล้วนะฮะหนึ่งแล้วนะนี่เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาแปลว่าปัญญาแตกฉานในอัถะคือในเนื้อหาในความหมายทีนี้ต่อไปข้อสองนะี่พอเข้าสู่รายละเอียดมองเห็นรายละเอียดเนื้อหาชัดเจนแล้วนคะราวนี้จับหลักจับประเด็นบ้างนะ อ่านไปทั้งหน้านี่นอกจากเข้าใจแต่ละเรื่องที่พูดถึงชัดเจนแต่ละคำแต่ละชัดแล้วทีนี้จับความให้ได้ทั้งหน้านี้ทั้งตอนนี้ทั้งหัวข้อ น, นี้ว่าหน้านี้หัวข้อ น, นี้บทนี้ตอนนี้ว่าดนเรื่องอะไรนะประเด็นอยู่ที่ไหนจบเล่มแล้วก็พูดได้ว่าอ๋อหนังสือนี้ว่าในเรื่องนี้นะนี่ก็เป็นความ ชัดเจนอีกแบบหนึ่งนะสําคัญกว่าอันที่หนึ่งอีกนะอันที่หนึ่งง่ายกว่าแต่มันต้องเริ่มเลยอันที่หนึ่งอันที่สองนี่จับหลักจับประเด็นได้นี่พอเราจับหลักจับประเด็นได้เท่านั้นแหละหนังสือบทหนึ่งหนึ่งก็ตามเล่มหนึ่งหนึ่งก็ตามนี่จะจําง่ายนะถ้าเราไปจํารายละเอียดทุกอย่างนี่จํายาก เข้าใจชัดแล้วมันก็จําง่ายขึ้นหมดเยอะแล้วแต่ทีนี้จะจําให้ได้หมดยากถ้าเราจับหลักจับประเด็นได้ปั๊บนี่สบายเลยคราวนี้จําหนังสือทั้งเล่มก็จับได้ประเด็นสองประเด็นตัวหลักๆทั้งบทก็ได้ประเด็นอย่างนี้เวลาทวนหนังสือนะยังอ่านไปแล้วนี่เข้าใจได้จับประเด็นได้หมดแล้วถามตัวเองเอา้าวตอนนี้บทนี้ว่าในเรื่องอะไรมีอะไรเป็นประเด็นหลักนะจบแล้วก็ เข้าใจหมดทีนี้เวลาทวนทวนเนี่ยมองปลาดเดียวนะใช่ว่าหัวข้อนี้เวลาทวนก็พอมองเห็นหัวข้อเราก็นึกออกอ๋อมันสาระสาคัญว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปอ่าน อ, อีกแล้วนะทุ่นเวลาหมดเลยอย่างนี้เราสามารถที่ว่าพูดแทนคนเขียนได้เลยใช่ไหม ว่าพอเห็นหัวข้อนี้ปับ๊บหรือเห็นชื่อบทนี่ปั๊บนี่ในใจมันตีออกไปได้หมดเลยเนื้อความว่าอย่างนี้สาระสําคัญจากสาระสาคัญอันนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้กระจายเนื้อความไปอย่างนี้นี้หมดนะบาทีอธิบายได้ดีกว่าหนังสือเล่ม น, นั้นอีก <laughs> เพราะว่าเร า, าเวลาเราอ่านเราเจอเรามีประเด็นได้ข้อปลีกย่อยอะไรที่เร า, าต้องการความชัดเจนเราไปค้นไปคว้าอีกใช่ไหม นี่สบายไปเลยนะอันที่สองนี่สำคัญยิ่งกว่าข้อที่หนึ่งเรียกว่าธรรมปฏิสมพิทาปัญญาแตกฉานในหลักเมื่อกี้ในเนื้อหาใช่ไหมข้อที่หนึ่งในอัตถะในเนื้อหาในข้อที่สองนี่ในตัวหลักตัวหลักต้องจับประเด็นได้นั้นเวลามีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าใครจับประเด็นได้จับหลักได้นี่ คนนั้นเข้าถึงเรื่องได้รวดเร็ววินิจฉัยเรื่องได้ง่ายนะแก้ไขปัญหาก็ได้ดีนะี่ปัญหาสำหรับสังคมปัจจุบันนี้ก็คือความพร่ามีข่าวสารมากมายมาไม่รู้จริงสักอย่างนะนี่ก็เป็นเรื่องยุ่งแหละข่วาวสารมากมายไม่ได้ดีสำหรับมนุษย์หรอกนะเพราะว่ามนุษย์ไม่มีความสามารถไม่ได้พัฒนาความสามารถ ที่จะมารับมือกับข่าวสารข้อมูลที่จะเล่นงอกมานั้นมันจะเลไม่ทันกันพัฒนาคนไม่ทันกับพัฒนาข่าวสารข้อมูลดังนั้นจึงไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีข่าวสารข้อมูลมากแล้วคนจะมีสติปัญญาดีไม่ดีเป็นคนลุ่มหลงถูกหลอกง่ายขึ้นตอนนี้ยิ่งจับหลักจับประเด็นไม่ได้อีกเนี่ยคนก็ยิ่งสับสน รู้ไม่จริงแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นปัญหานั้นประเด็นอยู่ที่ไหนจุดของปัญหาอยู่ที่ไหนนะเถียงกันวุ่นวายทะเลาะกันอีกอย่างเวลานี้สังคมนี่ก็เป็นปัญหาเพราะว่ามันจับหลักจับประเด็นอะไรไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นก็จับจุดไม่ถูกอย่างปัญหาเรื่องพัสสนธสัาเกิดขึ้นจุดของปัญหาอยู่ที่ไหนประเด็นที่จะแก้คืออะไรนะมันก็ไป พูดกันออกไปเรื่องปลีกปลีกย่อยๆปลีกฝ อ, อยไม่ได้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาศาสนาแก้บันไดม้จับจุดไม่ถูกขาดเนี่ยขาดปัญญาสองประการนี่สองประการนี้เป็นฝ่ายรับนะเนี่ยหนึ่งก็คือว่าต้องแตกฉานในเนื้อหารายละเอียดเนื้อความเรื่องราวความเป็นไปชัดเจนแจ่มแจ้งนะ สก็จับหลักจับประเด็นได้จับจุดของเรื่องได้นะฮะก็ใช้ได้ทุกกรณีแหละอย่างที่ว่าอย่างเป็นนักเรียนเนี่ยฝึกไว้ดีที่สุดเลยถ้าฝึกอย่างนี้แล้วการเล่าเรียนจะประสบความสําเร็จมาแค่สองข้อนี้ก็สบายเยอะยนะเพราะฉะนั้นหัดตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบตัวเองก็ทุกอย่างต้องผ่านไปได้วยความเข้าใจอย่างที่ว่า ไม่ชัดเจนไม่ปล่อยผ่านแล้วก็ต้องจับหลักให้ได้จับประเด็นได้ว่าตอนนี้บทนี้เล่มนี้ว่าได้เรื่องอะไรนะแม้แต่เวลาจะจำเนื้อความเช่นว่ามีสิ่งที่ต้องท่องสิบข้อนะก็ใช้หลักนี้มาเป็นวิธีจำได้ มีสิ่งที่ต้องจำว่าสิบข้อแต่ละข้อนี่ยาวตั้งบรรทัดสองบรรทัดถ้าท่องทุกคำนี่โอ้โหเสียเวลาเยอะท่องอยู่นั่นแหละก่าจะได้มันนานก็อ่านให้เข้าใจนี่ในทั้งข้อนั้นข้อนึงอ่านเข้าใจแหละจับตัวแทนของข้อให้ได้คำหนึ่งพอจับตัวแทนข้อได้คำแล้วหลับตามองจากคำเดียวขยายความทั้งข้อได้ ลองขยายดูก่อนพระจับคํานี้มองในใจเออขยายความได้เต็มข้อได้อย่างนี้ปับ๊บอ่าเขาหนึ่งได้และเขาสองจับคําที่เป็นตัวแทนของทั้งข้อได้แล้วเสร็จแล้วคํานี้จําไว้คําเดียวแล้วมองในใจตัวเองว่า อ, อ้อคานี้เราขยายความเป็นทั้งข้อวันทันสองรทั ศ, ท ศ, ทศได้องนี้พอเราได้แน่ใจแล้วทีนี้ก็จําคําเดียวคําเดียวข้อละคําข้อละคํา แล้วอาจจะจับในข้ออาจจะมีหลายคำที่เป็นตัวแทนข้อได้เอาคำที่มันง่ายแล้วมันอาจจะคล้องจองด้วยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจำสิบคำได้สิบข้อเนะี่ยยี่สิบรรทัดสบายเลยใช่ ไ, ไมอย่างนี้ก็ใช้หลักปฏิสัมพิทธามาช่วยในการจำนั้นคนที่มีหลักวิธีก็ไม่ต้องไปเสียเวลาท่องมากมายเนยะ อย่างที่ว่า10ข้อก็ท่อง1ิบคำพอแล้วก็เวลาถึงเวลาสอบก็10บคำนั้นออกมาก็ขยายปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งสมเจปเอาละครับนี่เป็นภาครับภาครับนี่ได้ปฏิสมัมพิธาสองข้อสบายและหนึ่งอัตถะปฏิสมัมพิธาปัญญาแตกฉันในเนื้อหาสองธรรมะปฏิสมัมพิธาปัญญาแตกฉันในหลัก ในตัวประเด็นในจุดของเรื่องต่อไปทีนี้เป็นภาคใช้บ้างละอ้าวทีนี้ก็ต่อไปข้อสภาคใช้ภาคใช้ก็เริ่มด้วยปัญญาแตกฉานในการใช้ภาษาในการรู้จักใช้ภาษามาสื่อมาสื่อสารต้องหัดพูดหัดเขียนเพื่อสื่อความต้องการขอาตัวเองให้คนอื่นเข้าใจได้ สื่อความหมายสื่อสาระจนกระทั่งว่าสามารถชักจูงให้เขาเห็นตามตัวเองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้จักใช้ภาษามีเป็นความสามารถเชิงภาษาในการใช้ภาษาสื่อสารก็อย่างน้อยก็ต้องบอกความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนเริ่มต้น หลายคนจะประสบปัญหาเราต้องการจะพูดให้เข้าใจอย่างเงี้ยนะจะบอกความต้องการของตัวเองเสร็จแล้วนี่พูดให้เขาเข้าใจความต้องการของตัวเองไม่ได้ไม่ชัดเจดนะก็ขาดข้อ น, นี้เป็นขาดปัญญาแตกฉานในภาษาหรือในการสื่อภาษานะเอาว่าสื่อภาษากันแล้วกันอันนี้นอกจากว่า บอกความต้องการก็ตัวเองเข้าใจแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็คือว่าอธิบายเรื่องราวให้เขาเข้าใจอีกนี่ยากขึ้นไปอีกทีนี้อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะพูดชักจูงเขาให้เห็นตามเราได้นี่สามารถขนาดนี้นี่บางทีใช้ในทางเป็นโทษก็ได้อยู่ที่เจตนาแหละใช่ไหมบางคนนี่ พูดเก่งสามารถพูดชักจูงให้คนอื่นเห็นตามนี่แต่ว่าเจตนาไม่ดีกลายเป็นว่าเอาคนอื่นเป็นเหยื่อไปเลยใช่แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงความสามารถก่อนส่วนจะใช้ยงใช้อย่างไรนั้นอยู่ที่คุณธรรมอื่นมานะก็คือต้องมีเจตนาบริสุทธิ์หวังดีนะต้องการให้เขาเห็นความจริง อันนี้ก็เป็นข้อภาคใช้แล้วนะฮะก็แค่นี้ก็คงจะเข้าใจไม่ยากในปัจจุบันนี้จะมีปัญหาเรื่องข้อนี้ก็คือว่าการฝึกในการสื่อภาษานี่น้อยเช่นข้อสอบก็จะใช้วิธีคิดถูกขีดผิดเลยไม่ได้สื่อภาษาเลยนี่ถ้าสอบได้วิธีเขียนอธิบายนะี่ก็จะมีโอกาสให้ฝึกได้เยอะ ต้องสึกวิธีพูดวิธีใช้แต่คำใช้ภาษาพูดจงกันทั้งเขาเข้าใจได้ทีนี้ต่อไปข้อสข้อสี่ภาคใช้ที่สำคัญก็คือนะฮะอข้อสนิรุตติปฏิสัมพิทานิรุตติก็สื่อภาษาต่อไปก็ข้อสปัญญาแตกฉัน อีกขั้นหนึ่งนี่คือขั้นที่สามารถเอาความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจากที่เราได้รับเข้ามาหลายเรื่องหลายราวคนละครั้งคนละคราวเนี่ยหลายแหล่งเราสามารถเอาข้อมูลความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมมาโยง ก, กันได้สร้างเป็นความรู้ใหม่เรียกว่าสร้างเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ใช่ไหม แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เช่นในการแก้ปัญหาได้ตรงหรือทันกับสถานการณ์ทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จหรือสามารถคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยอันนี้ถ้าเรารับก็ได้เราก็รู้ตามที่เขาเขียนไว้แล้วเขาบอกไว้แล้ว ก็ได้แค่ตามเขาแต่ว่าเราไม่สามารถจะไปต่อใช่ไมอันนี้เราสามารถสร้างสรรต่อเอาความรู้ที่คนอื่นเขาพูดมาแล้วเนี่ยเขาได้มาแค่นี้เราเอาความรู้นี้ไปต่อไปเชื่อมกับเรื่องอื่นได้เป็นความรู้ขึ้นมาใหม่ข้อสี่นี่แหละที่เป็น ปัญญาที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างสำคัญแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้<ม>เรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในความคิดทันการก็<ม>สาระสำคัญก็คืออย่างที่ว่าสามารถจับเอาข้อมูลความรู้ ที่ตนได้รับมาก่อนแล้วนั้นมาเชื่อมโยงกันสร้างเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ใช้แก้ปัญหาและคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้นะก็ครบและสี่ข้อนะสองข้อหลังนี่เป็นภาคใช้งานถ้าแค่นี้มีกันแล้วก็สบายแนละอยู่ในยุคข่าวสารข้อมูลพอเลยใช่ไ อะเรื่องอื่นก็เป็นตัวประกอบอย่างเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ไม่เท่ากันบางคนอ่านหนังสือเล่มนี้แค่จะเข้าใจตามที่เขาเขียนไว้ทั้งเล่มก็แทบจะไม่ไหวแหละเนี่ยคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอ่านแล้วไม่ได้ยังตามเขาไม่ได้ยังไม่พอที่จะรู้ตามที่เขาบอก บางคนอ่านแล้วรู้เข้าใจหมดที่เขาบอกแต่ก็อยู่แค่นั้นบางคนนี่อ่านเข้าใจแล้วก็เกิดความคิดใหม่ๆจากการที่ได้อ่านหนังสือนี้กระตุ้นความคิดของตัวเองขึ้นมาเนาอีกเยอะแยะเลยนว่าคือแล้วบางคนก็เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้เนย สามารถเล่าเนื้อความรายละเอียดหรือสามารถจับประเด็นให้คนอื่นฟังนะจับไปเล่าให้คนอื่นฟังพูดให้เขาเข้าใจนะี่ไมว่านอกจากนั้นก็สามารถเอาความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปเชื่อมโยงกับความรู้จากแหล่งอื่นๆเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาและทำการใหม่ๆคิดสิ่งใหม่ๆแตกเป็นความรู้ ในแง่มุมต่างๆออกไปเยอะแยะเลยนีอย่างที่ว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอาจจะไปเขียนหนังสือได้สิบเล่มหรืออย่างนี้เป็นตน้นนะฮะเพราะนั้นเรื่องของปัญญาแตกฉานนี่จึงมีต่างๆกันหลายอย่างก็ลองเอาสอย่างนี่ไปพิจารณาว่าอ่าไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนี่คนจะต่างกันยังไงในข้อที่หนึ่ง ก็อัตตาปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในเนื้อหาน่ยคนก็จะเข้าใจไม่เท่ากันแหลนะนีบางคนเข้าใจนิดๆหน่อยๆบางคนเข้าใจชัดเจนหมดทั้งเล่มนี่สองธรรมอัตตาปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในหลักในตัวประเด็นบางคนก็พลาดไปหมดจับประเด็นไม่ได้นีจับหลักไม่ได้บางคนเขาก็จับประเด็นได้ชัดเจน แล้วก็สามก็เอาไปสื่อสารจากสิ่งที่ตัวได้อ่านนี้ไปพูดให้คนอื่นเข้าใจตามได้ไปเล่าให้เขาฟังได้จะเล่ารายละเอียดก็ได้จะเล่าโดยสรุปจับความให้บอกประเด็นของสาระของเรื่องให้ฟังก็ได้ เราสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์อย่างที่ว่าเป็นคอสีนีก็นี่แหละครับเป็นปัญญาที่มีความสําคัญเรียกว่าปฏิสัมพิธาอันนี้อาจจะใกล้ตัวของเรามากขึ้นแต่พูดถึงเรื่องยาเมื่อเช้ายาสิบนี่ก็สําคัญแต่ว่าในชีวิตประจําวันนี่เราอาจจะไม่เกี่ยวก็ปฏิสัมพิธานี้ได้ประโยชน์มากอย่างพวกเด็กนักเรียนต่างๆนี่ก็ น่าจะได้รับการฝืกขัดให้ดีอย่างที่บอกแล้วว่าในยุคปัจจุบันยุคข่าวสารข้อมูลสี่ข้อนี้จะเป็นประโยชน์มากก็แปลว่าจบนะฮะปฏิสัมพิธาสี่ปัญญาแตกฉานสประการแยกเป็นรับสองคือหนึ่งอัตถาปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในเนื้อหาสองธรรมปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในตัวหลักแล้วก็เป็น ภาคใช้การสองสคือข้อสนิรุตติปฏิสมิทธาปัญญาแตกฉานในการสื่อภาษาและก็สปฏิภาณปฏิสมิทธาปัญญาแตกฉานในความคิดทันการก็จบเท่านี้ก่อนเนาะนั้นวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะฮะ